พระจำพรรษาที่วัดหลวงพ่อปีนี้ส4รูปแล้วก็มีพระบวชในพรรษาอีกสามรูปเป็นสาสิดแต่ก็พระที่บวชในพรรษาเขาลาสิกขาไปองค์แต่บ่าพระที่จำพรรษาของมือเช้านี่ก็ว่ามีธุระจำเป็นแต่ลาสิขาไปสองเป็นชาวต่างชาติเป็นพระออสเตรเลียฝรัง่งท่านก็เป็นด็อกเตอร์นะ ด็อกเตอร์สอนอยู่มหาวิทยาลัยแต่ก็ท่านก็ศึกษาแปลกเหมือนกันนะยศึกษาตรงที่ว่าอวิทยานิพนธ์ของท่านเนี่ยท่านศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของพระป่าสายหลวงปู่มันเอชีวิตพระป่าสายหลวงปู่มันพอท่านศึกษาจบมาแล้วท่านก็ทดลองมาบวดดูสิเป็นยังไงว่างั้น แต่ก็ยังว่าเนี่ยทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันนะทฤษฎีเนี่ยมันเอาอย่างไงก็ได้ไแต่ลงมือปฏิบัติมันไม่ใช่ธรรมดาเั้นอนกันอะปฏิบัติเนี่ยมันต้องอดทนต้องเข้มแข็งต้องอะไรโอู้ร้ายอยากถ้าจะว่าไปแล้วนะยังไม่ได้ถามท่านดูว่าผลออกมาเป็นยังไงวะวันพุ่งนี้เป็นวัน ทอดกรถิน่นเมื่อวานออกพรรษาออกพรรษาได้สองวันก็เป็นหลวงพ่อก็กำหนดวันทอดกริ่นวันพรุ่งนี้กรถินมาจากกรุงเทพเป็นคุณแม่ของเลขาสภา พ, พัฒปีที่แล้วท่านก็นมาทอดท่านก็บอกว่าฉันยังไม่ตายก็ขอจองกรถิน่นท่านอาจารย์ไว้ด้วยหนะ้าเออเอาได้แต่ก็ะตามเมื่อจริง กฐินลุงพ่อก็นแบบง่ายๆแบบง่ายๆไครับไม่ไปมีใบชงใบเชิญไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดบอกเออกทินเนอแล้วก็ผู้ใดอยากจะมาร่วมก็มาทำไม่ติดธุระก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรเกียววันพุงนี่ก็คงจะเสร็จแต่ทุกปีที่ผ่านมาก็มีศรัทธา ญ, ญาติโยมมามากพอสมควรว่างอนนตามอยู่ป่าป่าดงพงไพยนั่นแหะ จะให้มากเหมือนอยู่ในเมืองก็คงไม่เหมือนแต่มากตามภาษาบ้านนอกเหมั้นกันะทางไกลกว่า จ, จะมาถึงได้ก็เจ้าด อ, อมานะร้อยี่สิบประมาณร2 0ยยี่สิบกิโลนะเมื่อก่อนเข้าพรรษานะหลวงพ่อก็ไปลงไปภูเก็ตพังงาไปเปิดสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่วัด หลังสารจังหวัดภูเก็ตลงไปกับไปพบสปกรที่จังหวัดพังงาเหมือนกันนะสปกรไปหลวงพ่อไปดูถ้ำนะถ้ำนั่นคือถ้าหลวงปูล่าลาหลวงปู่ล่าเขมอปะตะคือเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยท่านไปภาวนาสมัยท่านลงไปภูเก็ตพังงากับหลวงปู่เทศเทศรังสีสมัทเหียนมะเป่งถ้าอะไรถ้าพึ่งหลวงพ่อก็เลยไปไปดูโอ้ ดูแล้วก็เป็นเลือกเก่าขนาดหกห้าหกสิบเจ็ดสิบปีให้หลังแล้วก็ดูดูแล้วก็ยังน่าเกรงขามอยู่งั้น دة. เถอะทำเขาเนะ่เขาพึ่งทมพึ่งจังหวัดพังงาไปก็พวกสัปปกร์ทั้งหลายไปไประชุมที่จังหวัดพังงาเขาก็เลยไปดูทำเหมือนกันเรงนั้นเถอะแล้วก็ไปเจอกันไปพบหลวงพ่อจตลรงพ่อเขาก็เลยนั่งลงสนธนา พูดหลวงพ่อก็ว่านี่นะพวกเราเก็บเงินสักรณ์กับเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่หลวงพ่อว่าบางทีผู้เก็บเงินผู้หาเงินหนึ่งแล้วก็ออกมาใช้ใช้แบบไม่รู้จักคุณค่านี่หลวงพ่อขนาดผู้ไม่หาเงินหลวงพ่อก็ยังคิดเหมือนกันนะว่าบางทีใช้เงินออกไปแล้วทาไมใช้อิรุ่ชุยแจกแต่ผู้หานี่ก็พอแรงเหมือนกันเงินกว่าจะหาเงินให้ให้ได้เข้าเป้าอย่างนั้นะ แต่บางทีผู้เอาไปใช้เนี่ยใช้ไม่ได้คิดว่างั้นอ่ะบางทีเอาไปแล้วกับแบบโยนใช้โยนขวาโยนหน้าโยนหลังทิ้งไปทิ้งมาถ้าว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บมาเพื่อประเทศชาติจริงๆหลวงพ่อว่าดประเทศชาติไทยของเราคงจะก้าวเดินก้าวกระโดดเลยไม่ใช่ธรรมดาว่างั้นะแต่นี่ทําไมเป็นอย่างนี้ สรุปแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่าคนในชาติขาดคุณภาพขาดคุณธรรมอขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมเงี้ยคนในชาติไม่มีฮิริกับโอตตะปะเงี้ยถ้าว่าคนในชาติมีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตตะปะคือความกลัวตวบาาถ้าทําสินี้ลงไปเป็นยังไงถ้าว่าคนในชาติที่คิดสํานึกไว้อยู่เสมอเอแล้วก็พร้อมกันก็เอ อันไหนคือหน้าที่ของเราอันไหนคือผลประโยชน์ของเราที่จะได้รับไม่ใช่ว่าทําอะไรก็เห็นคนอื่นโง่ไปหมดเนีเป็นผักเป็นปลาไปหมดผลที่สุดก็เลยเย็ยบย่ําเขาไปหมดก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนีก็เพราะอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือขาดคุณธรรมในจิตใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆกท่านนะคุณธรรมนจะหาได้จากที่ไหน หาได้จากตัวของเราหาได้จากใจของเราอย่าไปมองคนอื่นคนนั้นน่าจะมีคุณธรรมอย่างนี้คนนี้น่าจะมีคุณธรรมอย่างนั้นคนนั้นน่าจะเป็นคนดีผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนดีครูบาอาจารย์น่าจะเป็นคนดีพระสงฆ์น่าจะเป็นพระสงฆ์ที่ดีมีแต่เพ่งมองไปทางอื่นไม่งั้นแต่ตัวเองเป็นยังไงตัวเองเป็นคนดีหรื อ, อยังนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าให้อปนิชฌนะ ให้น้องเขามาหาตนเนี่ยอย่างหลวงครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟันท่านบอกนะเ น, ะนะี่ยเวลาชี้คนอื่นน่าจะน่าจะเป็นคนดีนะคนนี้น่าจะเป็นคนดีนะคนนั้นน่าจะเป็นคนดีนะแต่ตัวเองมันชี้เขามาหาตัวเองเนี่ยทั้งสามนิ้วนะทํงางานนะตนเองน่าเป็นยังไงตอตนเองน่าจะเป็นคนดีไหมมันไปชี้ไปคนอื่นนิ้วเดียวนะมันชี้มาหาตัวเองเนี่ยตัวเองนี่เป็นยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นในการ ครูบาอาจารย์ท่านพูดเรงหลักของพุทธศาสนานี่ท่านให้ดูตนเองว่าข้าพเจ้านี่พร้อมมีคุณภาพคุณธรรมพอสมควรหรือยังในชุมชนมีศีลธรรมหรือยังนั่นแหละถ้าว่าพวกเราทุกๆคนดูตัวเองแล้วก็อปุงแก้ไขตัวเองโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าว่าพวกเราเพ่งมองแต่คนอื่น อยู่กับลูกกับเต่ากับสามีพันยาว่าแต่เขา ไ, ไม่ดีอย่างน้นเขาไม่ดีอย่างเงี้ตัวเองเป็นยังไงตัวเองขาดตกบกพร่องหรือเปล่ามันยังมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องมองตนเองแต่ถา้ามองตนเองแนละ้วดูแล้วเราก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอ้าวแต่ทํายังไงได้คงจะเป็นกล้ำของเรามั่งก็คงจะทิ้งใส่กล้ำอยู่เหมือนกันนะอกล้ำในอดีตก็มีกล้ำในปัจจุบันก็มีอย่างนั้นแตะในกล้มในปัจจุบันเราก็ทําดีอยู่แล้วนะ คงจะเป็นกลมในอดีตของเราเราคงจะไปไปทให้เขามาก่อนอเราจึงได้เป็นอย่างนี้ผลที่สุดกวางลงที่ใจอีกเหมือนกันนั่น ะ, ะเราจะไปผูกอาคาดพยาบาทจองเวรจะไปฆ่าไปแกงจะไปลบลาข้าวฟันมันก็เท่านั้นเออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพ้อเพอตัวเองก็เข้าคุกเข้าตารางไปอีกมันก็ไม่ดีอีกเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องปล่อยวางที่ใจเหมือนกันนะ หลวงพ่อในสูตก็ต้องปล่อยวางที่ใจในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยหลวงพ่อไปเจอกับโยมเออใช่ที่ท่านพูดว่าปล่อยวางปล่อยวางนั่นนะถ้าเป็นพระก็ปล่อยวางได้แต่เป็นอย่างพวกดิฉันพวกผมนะ่ะหน้าที่การงานรับผิดชอบมากมายหลายอย่างแล้วจะให้ปล่อยวางได้ยังไง ปล่อยวางอย่างพระใช่พระไม่มีอะไรถึงที่ท่านจะเป็นสมภารวัดก็จริงอยู่วัดก็ไม่ใช่ของท่านอีกเพราะท่านจะขายวัดก็ไม่ได้จะเสงวัดก็ไม่ได้เพราะเป็นวัดของประชาชนวัดของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นจะปล่อยวางท่านปล่อยวางก็ปล่อยวางได้เพราะท่านมีบริหารแปดท่านเองแต่พวกเราเนี่ยสิมีมากมายแล้วจะให้ปล่อยวางได้ยังไงมันปล่อยวางไม่ลงท่านมันพูดมันพูดได้ หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอถ้าเอาหลักของพระพุทธศาสนาตั้งหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับหรือว่ามาเป็นบรรทัดฐานหรือว่ า, เ ป, เ, เ, วา เ, เป็นเส้นตั้งว่างั้นแต่เอเป็นเส้นตั้งคือไม่เอียงข้างนู้นไม่เอียงข้างนี้ว่างั้ น, นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมาปล่อยวางเลปล่อยวางยังไงเมื่อเราทําดีเราก็เมื่อเรามีชีวิตอยู่เราอยู่ในสถานะไหน เราต้องทําดีในสถานะนั้นให้ทําดีที่สุดเออในเมื่อหลุงพ่อเป็นพระที่เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้หลวงพ่อก็ทําดีที่สุดแล้วก็แนะนําคู่คนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องให้รู้จักคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่จะทำได้ให้ดีที่สุดก็พร้อมกับตัวเองก็ทําประพฤติตนให้ดีที่สุดแล้วก็แนะนำหมู่พวกเพื่อนพระเนรให้เป็นพระเนนที่ดีที่สุดในความรู้สึกนะ แต่จะดีที่สุดขนาดไหนอันนั้นเรารับรองไม่ได้เพราะต่างคนต่างจิตต่างใจแต่ส่วนตัวเราน่นเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเมื่อเราเห็นสิ่งที่ขาดตกบกพร่องเราก็จะชี้แนะชี้นาไม่ดีไม่ควรทาอันนี้ก็คือหน้าที่ของผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นเจ้าอาวาส น, นะจะต้องทำให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่ให้เบียดเบีย น, ยนตนและผู้อื่นอันนี้ก็คือคิดไว้จะไม่เบียดเบีย น, ยนตนและผู้อื่น ให้เป็นธรรมทุกหน่วยทุกเราก็เหมือนกันข้าราชการทุกหน่วยทุกเราทุกวงการก็ตามก็ควรจะทำดีให้ดีที่สุดในขณะที่ตัวเองทำงานในจุดนั้นๆในเมื่อทำดีแล้วทำดีทุกอย่างแล้วเราก็มานั่งคิดอยู่ในใจนั่งคิดมานั่งคิดหรือนอนคิดก็ได้อยู่ตามลำพังทำใจให้ว่างๆทำใจให้สบาย เราก็คิดเออเรานะถึงจะเราทำดีขนาดไหนก็เถอะนะสิ่งเหล่านั้นเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างเงินคำทรัพสมบัติเลือกสวนไล่นาพ่อแม่พี่น้องวงศาคณา ญ, ญาติญาติมิตรสหายสามีภรรยาลูกหลานทั้งหลายถึงคราวหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดเราจะเอาไปด้วยไม่ได้ให้จำไว้นะให้คิดไว้นะ อย่าไปทุกข์กับมันนะสิ่งเหล่านั้นอีกสักวันหนึ่งนะเราจะต้องวางทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดเราเอาไปด้วยไม่ได้เราจะไปเรามายัางไงเราจะต้องไปอย่างนั้นสอนใจตัวเองเหมือนนั้นนะอันนี้ให้สอนใจตัวเองนะแต่ไปจะพูดข้างนอกที่หลวงพ่อพูดข้างนอกให้ฟังนี่ก่อเพื่อเป็นแนวความคิดสอนใจของพวกเราเพื่อ ว, วิธีการปล่อยวางปล่อยวางยังไงถ้าเราคิดอย่างนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี้ ถึงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นถึงจะประทุกยากลําบากถึงเจ้านายจะดุดาว่ากาวถึงจะลูกน้องไม่ฟังเชื่อฟังคําอะไรก็ตามที่มันมารุมมาตุมมาหาเราเราจะรับได้ทุกสถานการณ์เพราะเหตุไรเพราะว่าเราได้คิดดีอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะต้องวางปล่อยวางแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละคือถ้ า, ถ, าถ้าเราคิดได้อย่างนั้นแลใจของเรามันจะมีหลักเทนี่เราจะรับได้ทุกสถานการณ์ ถึงจะร้ายถึงจะดีขนาดไหนเราก็รับได้เนี่ยพ่อเหตุใเพราะเราได้คิดไปแล้วอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายของเรานขนาดกระดูกของเราก็เราจะทิ้งนะเราจะเอาไปด้วยไม่ได้นะปล่อยวางนะอันนี้ก็คือสอนสอนใจตรงของเราเองนะแต่บางท่านบางคนอาจจะยอมรับไม่ได้ถึงจะยอมรับไม่ได้หรือยอมรับได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงจุดนั้นแล้วเหมือนกันทั้งหมดเพรงั้นฟังไว้ดีกว่านะ อฟังไว้ดีกว่าให้เป็นข้อคิดไปในใจดีกว่านะเทําให้คิดเฉลยไม่ได้นะถึงวันนั้นมะเขาอ่อนเปากสันเข้าไปแล้วไม่ได้เรื่องเลยงั้นดะนี่ยเพราะนั้นเราต้องเข้มแข็งนะเอต้องสู้ทั้งหมดเกิดมาในโลกเนี่ยออ่อนแอไม่ได้ต้องสู้สู้ในทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมนะอืวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดแก่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายนะแล้วต่อเ น, นี้องไป ลับพร